สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสตรอ FM อ็มร้ข้าพเจ้าพระมหาใบบล์อีิปุโนจากวัดป่าดอนไหโซกมาพบกวับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงวันจันทร์นั้นข้าพเจ้าก็จะมาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมท่านฟังไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือว่าการปฏิบัติที่นาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่ วันนี้ก็จึงต้องการจะมาพูดถึงแง่มุมของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบชนิดหนึ่งว่าเราจะเริ่มต้นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบของเราได้อย่างไรใ น, นเทคนิควิธีอย่างไรถึงจะเหมาะสมซึ่งในบางครั้งบางคราวครับท า, ามาถึง ก, ก็ใส่กันเลยละ่ะคือพูดถึงวิธีการปฏิบัติโดยที่ยังไม่ได้พูดถึงองค์ประกอบหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องมีเริ่มต้นทำความเข้าใจยังไงก่อนในแง่มุม ข, ของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบตรงนี้แต่ก็เลยคิดว่าจะใช้เวลาในช่วงนี้ ของรายการที่จะมาพูดถึงให้ท่านผู้ฟังฟังเนื่นเพราะว่ารูปแบบของการจัดรายการแบบนี้เราก็ทํามาได้สักระยะหนึ่งแต่ท่านผู้ฟังบางท่านก็เพิ่งมาฟังหรือว่าฟังมานานแล้วก็ตามฟังแล้วตรงนี้ก็จะได้พื้นฐานที่ดีด้วยเนื่องจาะความเข้าใจในเรื่องที่ว่าก่อนการจะเริ่มการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยเราควรจะต้องมีทําความเข้าใจมีองค์ประกอบใดๆมันก็จะทำให้คนที่ยังไม่เข้าใจเพิ่งจะมาสนใจในการปฏิบัติ และได้เข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้องอยู่ทำให้คนที่มีความเข้าใจดีแล้วเคยฝึกปฏิบัติดีแล้วมีพื้นฐานที่มั่นคงแน่นหนายิ่งขึ้นไปการเข้าใจให้ถูกต้องตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีนับแรกต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งตามวังเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติคําว่าปฏิบัติปฏิบัติและก็ปฏิบัติเนี่ยหมายถึงการเอามาทำแล้วคืออะไรเอามาใช้งานซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของธรรมะเนี่ย เราควรจะเอามาใช้งานในทั้งชีวิตของเรานั่นคือให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ที่มีธรรมะเลยคือไม่ใช่เอาธรรมะมาใช้เฉพาะตอนที่เราว่าเออฉันจะนั่งสมาธิหลับตานะซึ่งตรงนี้จึงต้องพูดว่ามีการปฏิบัติทั้งที่เป็นรูปแบบแล้วก็มีการปฏิบัติที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสิ้นสิ่งที่เรากาลังมาพูดกันอยู่เป็นประจำก็คือการที่เราจะมาปฏิบัติ ย่งเป็นรูปแบบซึ่งการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบหรือว่าในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่โดยซึ่งมันก็แตกต่างกันที่ท่าทางทัวนั้นเองแต่เรื่องของจิตนั้นต้องเหมือนกันเรื่องของจิตต้องเหมือนกันเพราะว่าเวลาทำเรียกว่าปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติที่จิตเท่านั้นเองเจ้าพระเจ้า ก, ก็จะบูตถึงเรื่องของการทําจิตอย่างไรวิธีการในการที่เราจะพิจารณาภาษาการเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่มากระทบ ความที่เราจะเห็นการที่เราจะพิจร า, ารณาการที่เราจะทำไว้ในใจเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังก็คือการทำไว้ในใจซึ่งใจของเรามีอยู่ตรงไหนล่ะมันก็ทำได้ที่นั่นแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งอยู่หลับตาหรือลืมตาได้ทั้งสิน้นซึ่งความที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังทุกคนเลยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ ทุกคนเนี่ยมีจิตที่เคยเป็นสมาธิมาแล้วแน่นอนจิตที่เคยเป็นสมาธิในที่นี้หมายถึงความที่เป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันลุล่วงไปเพราะว่าเธอเผื่อว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีความที่มันจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจดจ่ออยู่กับการงานที่จะต้องกระทาำมันลุล่วงไปได้แล้วเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะตำรวจฟังต่อให้คนที่สมาธิสั้นขนาดไหน ก็ยังจะต้องมีสมาธิบ้างในกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องทําให้เสร็จลุล่วงไปอย่างง่ายๆถ้างบอกว่าเราไปสอบทําข้อสอบอย่างนี้คนที่ไปสอบทําข้อสอบแต่ซึ่งแน่นอนทุกคนต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือมาในการศึกษาขั้นบังคับอย่างสูงสุดก็คุณก็จบดอกเตอร์หลายๆใบไปใช่ไหมอย่างต่ำสุดคุณก็ต้องจบม3ามสมัยนี้แต่เว็นสมัยก่อนคุณอาจจะเป็นคุณยายคุณป้าอกงอาม마 ก็ต้องจบป .4 แต่อาจจะไม่ได้เรียนเป็นรูปแบบ <c oughs> ก็ต้องมีการเรียนบ้างละ่ะให้พูดได้เขียนได้ซึ่งการเรียนในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นมันก็ต้องมีการสอบนะเพราะพอมีการสอบแล้วเดี๋ยวจะผ่านได้คะแนน ด, ดีหรือว่าเกือบตกแล้วก็ผ่านอยู่ดีนั่นแหละนะการทำได้ตรงนั้นถูกบ้างผิดบ้างเนะีจิก็ต้องมีการจดจ่ออยู่บ้างมากน้อยแตกต่างกันไปแต่คนมีการจดจ่อได้มาก จิตก็เป็นอารมณ์เดียวมากมีกําลังมากาก็อาจจะทําได้คะแนนดีถ้าบอกว่ามีการจดจ่ออยู่น้อยทําได้บ้างบางข้ออาจจะจดจ่ออยู่หนาทีสิบนาทีเป็นอารมณ์เดียวอยู่งนั้นก็ทําได้ช่วงนั้นช่วงที่มันตื่นเต้นโอ้ทําไม่ได้จิตก็ไม่เป็นสมาธิไปนะซึ่งมันมันมีสั้นบ้างยาวบ้างทุกคนมีทุกคนเคยทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้แล้วหรือแม้แต่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งผมคนไม่ชอบเรียนหนังสือในห้องเรียนแต่เล่นล่ะเล่น เล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งสมัยนี้เขาก็เล่นกีฬาประเภทที่ใช้นิ้วแล้วก็หมายถึงเกมกดคอมพิวเตอร์พวกนี้แหละเล่นพวกนี้ก็ต้องเอาใจจดจ่อในสิ่งตรงนั้นแล้วเราดูอย่างเด็กที่แต่ว่าเราบอกว่าคนนี้สมาธิสั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราให้เขาเล่นพวกเกมกดคอมพิวเตอร์นี่เด็กที่เราบอกว่าเขาสมาธิสั้นนั่งอยู่นิ่งๆได้แค่ไม่เกิน30มวินาทีเดี๋ยวมันต้องไปละเดี๋ยวต้องลุกขึ้นลุกอะไร หรือว่าแม้แต่เรียนในห้องเรียนก็ไม่สามารถทําคะแนนได้ดีอ่าไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่าเราเอาเกมกดคอมพิวเตอร์ให้เขาเล่นเนีน่นั่งเล่นอยู่ตรงนั้นเนะี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีก็ลืมไปกินข้าวลืมไปเข้าห้องน้ำด้วยซ้ําแต่จิตใจเขาก็ยังจดจ่ออยู่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถตรงนี้อยู่อยู่ที่ว่าจะเอามาใช้ได้ในเวลาไหนอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ได้ถูกเวลาไหมซึ่งอย่างกรณีของเด็กที่ เขาเล่นเกมกดคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเขาเอามาใช้ได้ในเวลาที่เล่นเกมกดคอมพิวเตอร์แต่ทําไมเขาไม่สามารถเลือกที่จะเอากําลังจิตแบบเนี้ยมาใช้ในเวลาเรียนหนังสือนะซึ่งตัวนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกการควบคุมกําลังสมาธิตรงนั้นให้เป็นลันกษณะของสมาสัมม า, มาทิสแล้วนะจึงต้องมีการฝึกชนิดที่ว่าเป็นรูปแบบแล้วนะก็เป็นลันกษณะเดียว ก, กันกับการต่อสู้กนะ็คือเราเนี่ยมีแขนมีขามีมกําลังมีกล้ามเนื้อนะไอการต่อสู้เนี่ยมันทําได้อยู่แล้ว สัญชาตญาณมันมีแต่ถ้าจะเอาให้ดีให้ได้สามารถที่จะป้องกันบ้านเมืองได้เอาคุณก็ต้องไปฝึกการต่อสู้ไปฝึกวิชาทหารนี่ยนี้ก็เป็นการฝึกที่เป็นรูปแบบไปสําหรับในการที่จะพัฒนาทักษะในการต่อสู้ในการป้องกันประเทศในการที่จะทําให้มันได้เกิดเป็นผลเนีที่ใช้งานได้ก็เป็นลักษณะนั้นจิตเราก็เหมือนกันท่านผู้ฟังไม่ต่างเพราะฉะนั้นเรามีอยู่เรามีความสามารถนี้กันอยู่ทุกท่านทุกคน เนแต่ต้องอาศัยการพัฒนาแต่ละคนมีอิ see, นทะรีย์เน่ยแก่กล้ามไม่เท่ากันก็ว่าอินทรีย์ในที่นี้ก็คือความสามารถในการที่จะบรรลุธรรมเห็นธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้แต่ก็มีเรื่องของศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญานี่แหละจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่เราจะต้องทําให้เพิ่มบ้างปรับให้สมดุลกันบ้างอันนี้ก็เป็นทักษะเป็นกิตที่เราจะต้องกระทาอันนี้คือข้อที่1ว่าทุกคนกมีจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวมาแล้วแน่นอน นะมีความสามารถที่จะกระทำตรงนี้ได้แน่นอนนะคือเกิดเป็นมนุษย์แล้วสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดาอาจจะทุกข์มากกว่าสุขบางคนอาจจะสุขมากกว่าทุกข์แต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์เนี่ยสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ยังพอมีความสามารถในการที่จะสร้างคุณงามความดีทําจิตให้เป็นสมาธิได้อ น, นี่ข้าพเจ้าเย็นยันได้ได้ประการที่สองของการที่จะมาฝึกปฏิบัติเนี่ยหลายๆคนมีความเข้าใจอย่างนี้ว่า ความคิดต่างๆคือถ้านั่งสมาธิไปแล้วฉันเคยฝึกมานั่งมาแล้ว5นาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงมากโอ้ยคิดนั่นนี่โ น, น, น่นหมดฟุ้งซ่านเขาพูดกันอย่างนี้ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านทั้งหมดไม่ใช่แต่ทําความเข้าใจก่อ น, นเราคิดในสมาธิเนี่ยเรานั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบหลับตาอยู่เนี่ยหรือว่าลืมตากระดมคนเดินจงกรม่คิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีทั้งหมดนะ ตามความเข้าใจนิดหนึ่งความคิดไม่ใช่เป็นความฟุ้งซ่านทั้งหมดไม่ใช่ความคิดนี้พระพรทธเจ้าได้แบ่งเป็น2ส่วนกันความคิดที่อยู่ในใจของเราเนี่ยบางที่เราขับรถก็คิดเวลาพูดเปล่งเสียงใดเสียงหนึ่งออกมาความคิดอื่นก็มีหรือเวลาทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีความคิดทํากับข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขามีความคิดไอ้ความคิดพวกนี้ทั้งหมดในแต่ละวันเอาเอาแค่ว่าเรายังไม่ต้องนั่สมาธิล่ะในแต่ละวันความคิดของเราเนี่ย ดีก็มีไม่ดีก็มีแต่ไอ้ความคิดที่ดีก็มีไม่ดีก็มีในแต่ละวันเนี่ยพอเราหลับตาจะนั่งสมาธิทําจิตให้สงบเราคิดว่าไอ้ความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีมันไม่ใช่ไงเพราะความคิดที่ดีก็มีความคิดที่ไม่ดีก็มีสิ่งที่เป็นเรียกว่าความคิดที่ไม่ดีก็เรียกว่ามิจฉาสังกปะนั่นะคือความดรรําริไม่ดีความดํา ร, ริผิดเช่นความคิดในทางการพยาบาทแล้วก็เบียดเบียนความคิดในการที่ไอ้วันนี้จะไปกินอะไรให้มันอร่อยลิ้น วันนี้จะไปดูช้อปปิ้งอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความสวยงามอย่างี้อันนี้คือเราเข้าลักษณะต่างการหรือความคิดในทางอาฆาตในทางมาตรร้ายในทางพยาบาทในการปองร้ายพวกนี้เป็นความพยาบาทความคิดในลักษณะที่เป็นความริษยาในการที่จะปิดศีลเป็นต้นพวกนี้เป็นความคิดที่จะบิดเบี้ยนในขณะเดียวกันในระหว่างวันของเรา ความคิดที่ดีก็มีความคิดในลักษณะที่จะไม่เป็นไปในทางการมไม่มีพยาบาทไม่เบียดเบียนเช่นบางทีเราคิดว่าเราต้องทำการงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปนต่ไม่เกี่ยวข้องโดยกรรมแต่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครพยาบาตใครหรือความคิดที่เราคิดว่าเออฉันจะไปสร้างบุญสร้างกุศลที่นั่นที่นี่ก็เป็นความคิดที่จะให้เป็นการสละออกแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยการมปียบาตเบียดเบียนก็เป็นความคิดที่ดีจำไวฟังเป็นความคิดที่ดี ความคิดเหล่านี้ที่ดีเราก็เรียกว่าสัมมาสังกปะคือความดําริชอบซึ่งสัมมาสังกัปปะตรงนี้ถ้ามันอยู่ในขณะที่เราลืมตาอยู่กําลังทํางานทําการอะไรเราก็จะบอกว่าเออนี่เป็นความคิดที่ดีแต่เปรียบเทียบกับความคิดที่มันจะเป็นไปนในทางกางพยาบาทเปลี่ยนแต่ยนแต่บอความคิดที่เราบอกว่าดีในขณะที่เราลืมตาเนี่ยถ้ามันมาอยู่ในช่วงที่เรากําลังนั่งหลับตาเอ่อกำลังนั่งสมาธิบางคนมีความคิดว่าอันนี้ไม่ดี ตรงนี้เป็นส่วนของความฟุง้งซ่านมันไม่ใช่นี่คือประเด็นที่2ที่พระเจ้ากําลังสื่อสารบอกให้ท่านผู้ฟังฟังว่าถ้าเพบว่าในใจของเราขณะที่เรากําลังนั่งหลับตาจะทําสมาธิให้เป็นอารมณ์อันเดียวแล้วมีความคิดต่างๆที่เป็นสัมมาสังกปะเป็นความคิดเป็นความดําริที่ดีผ่านมาถือว่าจิตของเรายังไม่ฟุ้งซ่านหรอกท่านผู้ฟังยังเป็นจิตที่สามารถยังควบคุมได้อยู่คือจิตที่ถ้าไม่ดีเนี่ยมันก็จะไหลไปนในทางต่ํา อะไรคือสิ่งตามไปที่นี้ก็คือความคิดความนริที่ผิดคือมิชาาสังกปะความนริที่ไม่ดีในะเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนถ้าจิตของเราไปอยู่ตรงนั้นอันนี้ไม่ดีเนะี่ยกกลุ่มไม่ได้ลนะเนี่ต้องแก้ไขนะแต่ถ้าจิตของเราออกจากดินแดนตรงนั้นได้แนะี่มาอยู่ในความคิดนะที่ดีเป็นส่วนใหญ่อันนั้นดีแล้วอันนั้นดีแล้วจะรับตาลืมตาดีทั้งสิน้นะแล้วถ้าบอว่าเราทําให้ดียิ่งขึ้นไปเนะี่ยรวบรวมเข้ามาอีก ไอ้ความคิดต่าง ๆ, า <oui> ๆเหล่านั้นก็จะค่อยดับไปเหล่านั้นเหล่านหนเหล่านั้นคือเรื่องดีๆนะไอ้ความคิดเหล่าโน้นที่มันไม่ดีเนี่ยมันต้องดับไปตั้งนานแล้วมันจะต้องดับไปแม้กระทั่งตั้งแต่เราลืมตาอยู่ดับไปแม้กระทั่งตั้งแต่เราทำกิจการงานทำอาหารให้ลูกเจอหน้าพ่อแม่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็อย่าให้มีความคิดที่ไม่ดีมันไม่ดีแต่ว่าอยู่ในครอบครัวทาการงานใดๆให้มีความคิดที่ดีๆได้ หลับตาก็ได้เหมือนกันก็ดีด้วยแล้วประเด็นที่3ามทานฟังไอการนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบที่เราพูดถึงเนี่ยบางคนคิดว่าจะได้จะดีก็ตอนที่แบบนิ่งเงียบไม่มีอะไรไม่มีความคิดเหมือนกับทะเลไม่มีคลื่นมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือประเด็นที่3ามที่ต้องมาคู่กับประเด็นที่2นั่นแหละว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีๆทั้งหมดเราจะบอกว่าจิตเราฟุ้งซ่านไม่ได้ไม่ถูก หรือไม่ใช่ว่านั่งแล้วจิตจะต้องไม่คิดอะไรเลยเงียบนิ่งเป็นทะเลไม่มีคลื่นเหมือนกับแอ่งน้ำที่มันเรียบเหมือนกับเป็นผิวกระจกอย่างนั้นน่ะไม่มีคลื่นไม่มีลมผิวน้ำนี่เป็นกระจกไปเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคืออย่างนั้นดีไหมดีดีแน่นอนซึ่งถ้าทาได้ถึงจุดนั้นแหมมันดีแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเป็นความคิดที่มีอยู่แต่เป็นความคิดที่เป็นไปในทางดี เนี่ยเป็นไปในทางที่จะเป็นกุศลอันนั้นเรามีได้มีได้ ม, มันได้หลายระดับคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับทะเลเนี่ยนะถ้าตอนที่มันมีลมพายุโอ้อันนี้มันอันตรายมากไม่ควรออกไปจิตของเราเหมือนกันถ้าเป็นจิตที่มีความคิดในทางกลางความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนความคิดในการที่จะผิดศีลมีมิจฉาทิฏฐิมีความเพ่งเลงพวกนี้อันนี้คือจิตใจที่ลักษณะ เหมือนกับทะเลที่มีลมแปรปรวนบ้าคลั่งแต่ถ้าบอกว่าลมพายุมันสงบไปทะเลไม่ได้มีลมพายุคลื่นสูงเป็นหลายๆเมตรแต่ก็มีคลื่นอยู่บ้างผิวน้ำไม่ได้ถึงกับราบเรียบจนกระทั่งเห็นเงาสะท้อนของผิวหน้าตัวเองแต่ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เรียกว่าทะเลสงบทำไมเรายัางดูไปดูทะเลในอ่าวไทยอะ่ะตอนที่มันฝนไม่ตกตอนนี้มันไม่มีคลื่นลมแรงใดๆเนี่ยมันมีคลื่นไหมมันก็มีแฮะ แล้วผิวมันเรียบไหมมันก็ไม่ได้เรียบเพอร์เฟคร้อเป๊ะใช่ไหมแต่มันก็ยังมีอะไรที่มันปุ๊บปับปบอยู่บนผิวน้าบ้างนะคลื่นลมมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราก็จะเรียกว่าทะเลสงบนะก็เหมือนกันจริตเราถ้ามันจะมีความคิดบ้างคิดในเรื่องทําบุญทํากุศลคิดในเรื่องทําการงานคิดในเรื่องความขยันขันแข็งคิดในเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าคิดในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปพวกนี้ ไอ้ความคิดการพิจารณาต่างๆเหล่านี้มันดีแต่เป็นลักษณะที่จิตเรียกว่าจิตสงบแล้วจิตสงบแล้วคือความสงบนั้นมีหลายระดับแต่ชนิดที่เรียบ perfect ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่คิดอะไรเลยก็มีอันนั้นก็เป็นระดับที่ลึกลงไปชนิดที่ยังมีความคิดอยู่บ้างเป็นความคิดในทางที่เป็นกุศลอันนั้นก็มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าความคิดทั้งหมดจะเป็นความฟุง้งซ่านทั้งหมดความคิดที่ดีเราไม่เรียกว่าฟุง้งซ่านนะฟัง เรารียกว่าจิตอย่างน้อยก็ยังมีความสงบในระดับที่1อยู่อันนี้คือสามประเด็นแรกที่ต้องทําความเข้าใจประเด็นถัดมาในเรื่องของการปฏิบัติที่จะเป็นรูปแบบนั้นก็คือว่าบางทีเรานั่งสมาธิเนี่ยเราไม่ได้รับความสงบแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบท่านบวชเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ไม่ได้นั่งสมาธิเราไม่สงบแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยคือการนั่งสมาธิธรรมวังเราไม่ได้ว่าจะเอาความสงบลองฟังอีกครั้งหนึ่ง คือถ้าเราอยากจะให้มันมีความสุขนะอยากให้มีความสุขแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มีความฟุง้งเฟือนัคนทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นังสมาธิเนี่ยถือว่าคิดไม่ถูกต้องยังคิดไม่ถูกเอาพูดกันตรงๆเลยเอา้าวทำไมอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรามีความอยากที่จะทําจิงของเราให้มันมีความสุขที่เกิดจากความสงบไอ้ความอยากนั้นเนี่ยมันไม่ดีนะีถ้าอยากแล้วเป็นเหตุของความทุกข์เป็นตัณหาแน่นอนมันไม่ดีแน่นะและได้แล้วดี ถ้ามันยังมีเกิดแม้ในสิ่งที่มันดีไอ้ตันหานั้นมันไม่ดีคือตันหาความอยากเนี่ยท่านผูฟังมันติดอยู่ได้กับทุกอย่างล่ะติดอยู่ได้ทั้งกับสิ่งที่ไม่ดีเช่นการผิดศีลการลักขโมยการประพฤติผิดในการมมันติดได้แน่นด้วยเหนือด้วยแก่ยากด้วยมันก็ติดได้กันกับในสิ่งที่ดีเช่นความสุขที่เกิดจากความสงบแหมอยากได้จริงเลยอ้าวๆ้าตันหาก็ติดแล้วมันก็เข้าไปเหนียวไปยืดไปเหนือตรงนั้นได้ ซึ่งเราก็ต้องเอาความอยากตรงนี้ออกไม่ใช่ว่าเราอยากจะมานั่งสมาธนะิเพื่อว่าที่จะทําให้จิตได้มันสงบนะเพราะทั้งอยากนะคือไอ้เจ้าเหตุของความทุกข์ทั้งไอ้ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยมันก็เป็นเวทนามันเป็นเรื่องของทุกข์แล้วก็เหตุเกิดทุกข์ทั้งสิ้นเลยทั้งเวทนาที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันนี้เป็นความทุกข์ไอ้เจ้าความอยากที่จะไปติดกับความสุขความไม่อยากที่ใช้มันไม่มี มันจะไปติดกับความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยความอยากและความไม่อยากนี้เนี่ยเป็นตัณหาความสุขและความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นส mm. ิ่งที่เราจะไปพึ่งมันไม่ได้เราจะไปพึ่งความสุขเนที่เกิดจากความสงบในสมาธิไม่ได้หมายความบอาไงเขาว่าพึ่งนี่หมายความว่าเราจะเอาเป็นที่ที่จะไปเกาะเกี่ยวไว้ ที่ที่จะเอาตั้งจิตเราไว้ที่นั่นที่ที่จะระลึกถึงอยู่เสมอว่าเออฉันนั่งสมาธิฉันอยากได้ความสุขแต่ที่เกิดจากความสงบตรงนี้เรามาตั้งไปตรงนั้นไว้ไม่ได้ไม่ถูกเพราะบางทีนั่งแล้วมันไม่สงบบางทีนั่งแล้วมันก็คิดฟุง้งซ่านเลยไปถึงฟุ้งซ่านเลยนะไม่ใช่ว่าความคิดที่ดีๆเลยไปถึงความคิดที่ไม่ดีเลยด้วยซ้ําบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้น ซึ่งแม้แต่คนที่เคยฝึกปฏิบัติมาเป็น10ปี20ปีบางทีก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกันก็มีก็เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าตรงนั้นเกิดขึ้นบางคนก็จะพูดว่าโอ้วันนี้นั่งสมาธิไม่ได้อะไรเลยเนี่ยทำไมมันจิตไม่สงบฟุง้งซ่านเลยถึงไปถึงความที่เป็นมิจฉาสังกปะเลย่ยคิดว่าตัวเองจะไม่ได้อะไรมันไม่ใช่ท่านฟังนั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างหนึง่งก็จะต้องได้อะไรอย่างหนึง่งเอาอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตมีความสงบเป็นอารมณ์อันเดียวมีความสุข คการจากสุขเวทนาเกิดขึ้นเราคิดว่าตรงนี้เราได้ความสุขตรงนั้นใช่ไหมแต่พอมันไม่มีความสุ ข, ขเวทนาตรงนั้นเกิดขึ้นเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านไปเลยเป็นความคิดที่เป็นไปนในทางการเกิดขึ้นเราคิดว่าเราไม่ได้ความสุขใช่ไมจริงจริงไม่ใช่นั่นเราได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าสุขก็มีทุกก็มีสิ่งที่เราจะต้องมีต้องได้ต้องทํำนะท่านผู้ฟังในการที่จะเกิดจากการที่เรานั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบเนะี่ยคือเรื่องความเพียรเรื่องของสติเราตั้งขึ้นให้ได้แน่นอน สติเนี่ยหมายถึงการที่เราลดลึกได้แต่เมือมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็มีสติตั้งขึ้นเอาไว้อันนี้เป็นไปได้สามารถทําได้เรามีความคิดที่ดีๆที่เป็นไปในทางที่ไม่เกี่ยวข้องโดยการเกิดขึ้นเราก็มีสติตั้งขึ้นได้อันนี้ทําได้แนะ่หรือแม้แต่เรามีจิตที่สงบปเป็นอารมณ์ันเดียวมีความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นอันนี้เรามีสติ<ๆ>ก็ตั้งขึ้นได้แนะ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยสงบไม่สงบเราได้อย่างสิ้น เราได้อะไรเราได้ฝึกกําลังคือสติเราได้ฝึกกาลังคือความเปลี่ยนซึ่งความเพี่ยนกับผลของความเพียนที่มันจะได้เป็นสติกับผลของสติที่มันจะได้เป็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันเป็นคนละอ่นกันแตคนละอ่นกันถึงแม้เราจะยังไม่ได้สมาธิเราก็อาจจะยังได้สติถึงแม้ถ้าเรายังไม่ได้สติเราก็ยังได้กําลังคือความเปลี่ยนถึงแม้เราจะยังไม่ได้กําลังคือความเพียนเราก็ยังได้ศรัทธามีความเห็นที่ถูกต้องว่าเออฉันควรจะต้องมานั่งสมาธิบ้าง นั่งแล้วมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเยนน้อยเราก็ยังมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสมาธิตรงนี้เพราะฉะนั้นในความคิดความเห็นที่เราว่าเออฉันจะต้องมานั่งสมาธิหน้าได้ไม่ได้ก็ทําไปนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสมาธิิและอย่างที่ว่าท่านผู้ฟังหลับตาลืมตาไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ใจจะทำใจยังไงที่มันพร่องอยู่จะทำใจยังไงที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นถึงแม้ใจที่ไม่ดีนี้มันยังจะไม่ดีขึ้นล่ะแต่เราหันมาถูกทาง หันมาถูกทางเรือมันอาจจะยังหันหัวมาไม่ถูกทางแต่ว่าคนพายเรือเนี่ยคิดมาถูกทางแล้วอันนี้คือลักษณะของคนที่เริ่มมีสัมมาทิฏฐิละเริ่มมีศรัทธาแล้วเริ่มมีสัมมาทิฏฐิแล้ ว, เ ร, มมรถถลวเริ่มพยายามที่จะทำความเพียนแล้วแต่อาจจะยังตั้งสติขึ้นไม่ได้อาจจะยังทำสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้แต่ก็มาถูกตางแล้วเป็นลักษณะที่ถูกตองและแน่นอนท่านฟ่งงางข้าพเจ้าก็ต้องเตือนว่า ในการทำตรงนี้เริ่มแรกบางทีอาจจะมีอุปสรรคบ้างซึ่งอุปสรรคเช่นความยากอย่างที่ว่าไปเป็นต้นอุปสรรคเช่นความกโกรธความขับแค้นบางทีมันเกิดขึ้นมาอุปสรรคเช่นความง่วงซึมความเคลือบแคลงเห็นแย้งพวกนี้อาจจะแวะเวียนมาคอยขัดขวางเราได้แต่จะบอกว่าเป็นเครื่องที่จะมาขัดขวางขัดข้องอย่างเดียวนนในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเครื่องที่จะคอยทําให้เราเนี่ยมาอยู่ในร่องในรอยคือถ้าบอกว่า เราปฏิบัติไปเอ้ยง่วงแฮ่อา้าวแสดงว่าออกนอกกร่องออกนอกรอยเอาเราก็ปรับใหม่เอ้ยปฏิบัติไป ม, มันทําไมฟุ้งซ่านแฮ่แล้วฟุ้งซ่านไปในความคิดไม่ดีด้วยเอาเราก็ปรับใหม่นะแสดงว่ามันออกนอกร่องนอกรอยไปแล้วก็ปรับให้มันอยู่ในทางอันนี้เป็นจุดที่เราจะชี้บอกได้ว่าเราปฏิบัติอยู่ในทางไหมนั่นคือพวกกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้บอกได้อันหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ถูกร่องไม่ถูกรอยแล้ก็ต้องค่อยปรับไปซึ่งในการนี้ ประเด็นถัดมาคือเราต้องมีคือตัวช่วยมีเครื่องมือในการที่จะต้องช่วยซึ่งเครื่องมือนี้มีหลายอย่างมากท่าวผฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าใช้อยู่เป็นประจำก็การระลึกถึงลมหายใจคืออนนาปานาสติใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือบานที่ข้าพเจ้าก็ระลึกถึงพระพุทธบ้างระลึกถึงพระธรรมบ้างระลึกถึงพระสงฆ์บ้างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งเป็นพุทธา น, นุสติธรรมานุสติสังกานุสติบ้างหรือบางทีก็พิจารณากระดูกพิจารณากาย เป็นกายาขตาสติบ้างเนี่ยพวกนี้จะเป็นเครื่องมือให้จิตของเราเนี่ยตั้งขึ้นได้จิตของเราที่ตั้งขึ้นได้เป็นสติตั้งขึ้นแล้วเออมันก็จะเป็นที่รักษาจิตในให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิเกิดขึ้นได้ตรงนี้คือการทำที่เป็นไปตามลําดับทต่ระวังเป็นไปตามลําดับขั้นการปฏิบัติตามลําดับขั้นนี้บางคนชา้าบางคนเร็วไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทําไปค่อยๆฝึกไปแต่ขอให้ทําขอให้ฝึกขอให้ปฏิบัติ เพราะว่าการทำการฝึกการปฏิบัติตรงนี้เรายังได้กำไรอย่างได้กำลังกำไรกำลังที่พูดถึงนี้คือเรื่องความเพียรซึ่งอาจจะยังไม่ได้ให้ผลเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบถึงแม้ความสุขที่เกิดจากความสงบมันจะมีหรือไม่มีเราก็ยังได้แนะ่เราก็ยังมาอยู่ในฐานที่เราเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในฐานที่เรีว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ที่ทำจริงแน่แนจริงละแต่ให้ยังไม่ได้ผลก็ยังทำอันนี้ถึงจะถูกต้อง แล้วผลที่เกิดขึ้นธรรมฟังมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดอันนี้ก็ต้องพิจารณาเห็นมันมีความไม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่ซึ่งถ้าตรงนั้นมันเกิดขึ้นแต่เราก็อย่างได้ละ่ะไม่ได้อย่างใดก็ได้อย่างหนึ่งอย่างที่ว่าไปและวถ้านรรมฟังยังมีคําถามในเรื่องงการปฏิบัติตนี้เป็นเบื้องต้นที่มาชี้แจงให้ธรรมฟังฟังว่าแรกเริ่มก่อนที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ท่า น, นี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าเครื่องมือแต่และเครื่องมือทำอย่างไร นี่คือเป็นก็เรียกว่ารายละเอียดการเริ่มต้นของการปฏิบัติของเราแึงควรจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้ายังมีคาถามข้อสงสัยติดต่อกันมาได้ที่เว็บไซต์ purethama com p u r e d h a m m a com หรือว่าถ้าสดวกทางการเขียนจดหมายก็ส่งมาเป็นปริศนียบัตรหรือว่าเป็นจดหมายที่เลขที่1หมู่แปดตำบลดอนไหโฉกอาเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีราัไปริศีก็สี่ห กับจ่าพระมาหาภัยบุญอภิปุณโนเจริญปาน